หน้าแรงต้องใช้รถเข็นขนน้ำไปรถต้นไม้ทุกต้นในวัดด้วยการโยกน้าจากบ่อใส่ปี๊บและไหลใบขนใส่รถวิ่งไปตามทางเดินไปรอบวัดรดน้ำตามที่หลวงปู่หลีสั่งการสมัยผมเป็นเด็กผมชอบไปนอนใต้ศาลาที่มีกองไม้หลวงตาท่านเดินมาเงียบๆ เ, เอาน้ำมาสาดบอกว่าพวกสูงมานอนอยู่ที่นี่ไปเอารถเข็นไปรดน้าต้นไม้หรืออา้าว